วันนี้คิดว่าจะมาไม่ทันเถอะะวันนี้มีคิวหลายคิวมีกระถิ่นพระราชาทานสิบโมงครึ่งเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งต้องลงปฏิโมกต่อเที่ยงครึ่งเสร็จปฏิโมกตกบ่ายครึ่งขึ้นมานี่พวกก็ต้องมานี่เลยแทบจะไม่มีเวลาหายใจเลยวันนี้ ยังยังมาไม่สายยังมาทัน น, นานนจะมีงานพร้อมๆกันหลายงานงานกระถินก็ปีละครั้งวันนี้เป็นกระถินพระราชฎทานเพราะเป็นวัดหลวงกระถินนี่มีสองแบบกระถินหลวงกับกระถินราดกรถินลาดก็ ของญาติโยมชาวบ้านคนธรรมดาที่ไปถวายกันตามวัดต่างๆที่ไม่ใช่วัดหลวงวัดหลวงอารามหลวงนี้เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างขึ้นก็เลยพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่มีศรัท ธ, ธาจะถวายกรถินเองแต่เนื่องจากมีอารามหลวงอยู่หลายมีมากท่านไปคนเดียวไม่ไหว ก็เลยแบ่งให้คนอื่นไปถวายแทนพวกยูกลูกพวกเจ้าฟ้าอะไรนี่ก็แบ่งกันไปถวายแล้วถ้ายังเหลือก็ให้ค่าราชบริพารค่าราชการกระทรวงขบวงกรมต่างๆรับไปถวายแทนต้องไปขอขอรับจากในวังถ้าอยากจะถวายก็ะถิ่นให้กับวัดหลวงต้องไปขอรับ พระราชทานรับผ้าไต่มาจากในวังเพราะถือว่าเป็นของในหลวงผู้าอานำมาถวายเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําผ้ามาถวายให้แทนในหลวงแทนพระเจ้าแผ่นดินนี่คือกรถินในประเทศไทยเรามีสองชนิดกรถินหลวงกับกรถิ่นราชกรถิ่นราชก็มีสองแบบมีเจ้าภาพคนเดียวหรือกรถินสามัคคี Yeah. กฐินสามเคาก็ไม่มีใครพอที่จะเป็นเจ้าภาพคนเดียวไหวก็เลยร่วมกันหลายๆายคนก็เลยเรียกว่ากฐินสามเมาเค yeah. <Yeah. S 1> การคำว่าถวายกฐิน <Yeah. S 1> ก็คือผ้าผ้าไตรจีวร น, นี่แหละของพระสงฆ์ทำไมต้องมีการถวายผ้าเพราะว่าในยุคแรกๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระาศาสนาตอนนั้นมีพ้าไม่มากผ้าน้อยแล้นสมัยนั้นนักบวชเขานิยมไปเก็บผ้าในป่าชามาทาเป็นผ้าจีวรผ้าห่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาเขาไม่ฝังเขาจะเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชาเขาก็ผ้าห่อไว้ เราปล่อยให้มันผุเปื่อยไปนักบวชที่ต้องการผ้าก็จะไปเก็บผ้าในป่าชาเรียกว่าผ้าป่าเกืน ท, ที่มาของคำว่าผ้าป่าหรือผ้าบางสกุลบางสกุลก็ผ้าหอ่อศพผ้าป่าในป่าชาเราจะมีนิยมถวายผ้าบางสกุลให้คน เวลามีงานศพกันาจริงควรยาวผ้านี้ไปห่อศพก่อนแล้วค่อยให้พระไปชักถึงจะเป็นบางสกุลจริงมีเพียงแต่วางไว้ที่หน้าโรงแล้วก็ให้พระไปชักที่หน้าโรงยังไม่ถึงยังไม่ถึงใจ <laughs> ถ้าจะให้ถึงใจต้องเอาผ้านี้ไปหอ่อศพแล้วก็ให้พระไปชักผ้า ไปหนึ่งผ้าออกจากศพเพื่อจะได้ไม่ลืมอดีตยุคบึกบูดของพระพุทธศาสนาว่าพระสงฆ์นี้ใช้ผ้าบางสกุลกันใช้ผ้าห่อศพแล้วก็จะได้ปัญญาด้วยเวลาไปเก็บผ้าห่อศพมันจะได้ไม่โลภมากเพราะเอามาจากของคนตาย มันก็ทำให้เห็นว่าชีวิตของเราก็ต้องตายเหมือนกันตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ผ้าหา่อศพก็ยังมีคนมาแย่งไปนะตายแล้วสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่หามาได้แทบเป็นแทบตายเอาไปไหนเอาไปไหนไม่ได้เลยคนเดินก็แย่งกันไปหมดนะลูกหลานพี่น้อง สามีภรรยาบุตรธิดาแย่งสมบัติกันแล้วหาไปทำไมมากๆทํทำไมหามาให้ก็แย่งกันตัวเองก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไปได้ไม่เอาไปกันสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญบุญที่เกิดจากการทำบุญเช่นถวายผ้าะกรถิน่น ถวายผ้าบางสกุลถวายอาหารบิณฑบาตถวายยารักษาโรคถ้าเป็นหมอก็ถวายการรักษาโรคเวลามีพระสงฆ์ อ, องค์เจ้ามารักษาก็อยากไปเก็บสตังถวายจะได้บุญหรือถ้าไม่มีพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าอยากจะทำบุญก็อยากเก็บตังสักวันหนึ่งก็ได้ ต้องปล่อยคลินิกห้าบาทหรือยี่ผ้าสตางค์เมื่อมีหมอคนหนึ่งเคได้ยินข่าวปล่อยคลินิกยี่ผ้าสตางค์สองเสลิงหรืออะไรเนี่ยอให้คนค่าใจแค่สองเสลิงอวันหนึ่งให้คนที่ไม่มีสตางค์ที่ต้องการหาหมอได้รับการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันอทําบุญด้วย ผ้าทำบุญด้วยอาหารทำบุญด้วยยูกด้วยยาทำบุญด้วยที่อยู่อาศัยอันนี้เรียกว่าเป็นทานวัตถุทานวัตถุทานคือสิ่งที่เป็นวัตถุผ้าก็เป็นวัตถุอาหารก็เป็นวัตถุยูกยาก็เป็นวัตถุเรียกว่าทำแล้วจะได้บุญ บุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ได้ในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายตายไปใจเราต้องกลับไปอยู่ในโลกทิพย์ตอนนี้ใจเรามาอยู่ในโลกนี้เพราะมีร่างกายเป็นที่เชื่อมต่อโลกทิพย์กับโลกนี้ใจนี้อยู่ในโลกทิพย์แต่อาศัยมีร่างกายเลยส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย จะง่าพรู้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ได้นะรับรู้รูปที่มาทางตารูปตับรู้เสียงที่มาทางหูรับรู้กลิ่นที่มาทางจมูกรับรู้ลิ้นที่มาทางรับรู้รสที่มาทางลิ้นรับรู้สัมผัสต่างๆที่มาทางร่างกายใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ใจมีวิญญาณเหมือนปลั๊กเนี่ยเหมือนสายไฟที่ประเสียบกับปลั๊ก พอเสียบก็สามารถรับไฟจากปลั๊กไปได้ถ้าปลั๊กมีเสียงก็รับเสียงไปถ้ามีรูปก็รับลูกไปเช่ชนทีวีนี่พอเสียบปลั๊กมันก็รับได้ทั้งเสียงรับได้ทั้งลูกจิตก็เหมือนกันนะจิตนี่ก็เป็นผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ <c oughs> แต่ตอนที่มีร่างกายก็อาศัยร่างกายหา ความสุขต่างๆก็เลยไม่ต้องอาศัยบุญตอนนั้นตอนนั้นอาศัยร่างกายอาศัยเงินทองหาเงินทองกันแล้วอยากจะได้อะไรก็ซื้อกันซื้อแล้วก็มีความสุขกันอยากจะดูอะไรก็ซื้อมาดูอยากจะฟังอะไรก็ซื้อมาฟังพอได้ดูได้ฟังก็เกิดความสุขชีวิตก็เพลิดเพลินไปวันวันหนึ่ง ไปจนวันหนึ่งที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายพอถึงวันนั้นก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ถ้าไม่มีบุญก็จะทุกข์แต่ถ้ามีบุญก็ยังจะไม่ทุกข์ยังมีความสุขได้จากการทำบุญเราจึงพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาทำบุญกัน ว่าบุญนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญนี้จะไปอยู่ที่ใจของเราให้ใจของเราเอาไปใช้ในโลกทิ์เหมือนเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราเอาเงินบาทไปไม่ได้แต่เราาบัตรเครดิตไปได้ถ้าเรามีบัตรเครดิตเราไปต่างประเทศไปอยู่โรงแรมไป ซื้อของก็ใช้บัตรเครดิตรูดได้แต่ถ้าเอาเงินบาทไปนี่เขาไม่เอาไปซื้อเขาบอกใช้ไม่ได้ต้องไปแลกเงินของเขาก่อนถ้าไม่มีที่แลกเงินก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หันใดพวกเราในต่อไปก็จะต้องกลับไปอยู่ในโลกทิศเวลาที่นัางกายตายแล้ว ถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยเราจะไม่มีเงินใช้ในโลกทิพย์เราก็จะเป็นขอทานในโลกทิพย์นะพวกที่มาขอรับส่วนบุญเนี่ยเวลาเราทำบุญแล้วเรากรวดนะ้อุทิศส่วนบุญไปให้กับผู้ที่ร่วมรับไปนะผู้ที่ไปอยู่ในโลกทิพย์เพราะเขาไม่ได้มีบุญติดตัวไปเขาเลยไม่มีเหมือนกับไม่มีเงินไปซื้อความสุข ไม่มีเงินไปซื้ออาหารทิพไม่มีเงินไปซื้อสิ่งต่างๆที่มีขายในโลกทิพตเนี่ยต้องมารอรับบุญของพวกเราพวกเราทำบุญแล้วเราก็ส่งไปให้ผู้ที่ร้องรับไปแล้วถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็มารอรับบุญนี้แล้วเขาก็เอาบุญนี้ไปซื้ออาหารซื้อน้ำดืม่มซื้ออะไรต่างๆให้เขามีความสุข อันนี้คือเรื่องของทำไมเราต้องมาทําบุญกันทําบุญแล้วมันจะทําให้เรา อ, อยู่อย่างมีความสุขตั้งในขณะที่เรายังไม่ตายและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ยังจะมีความสุขต่อเพราะเรามีบุญคอยดูแลคอยรับใช้เราทางาศาสนาจึงมี เรื่องทาบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญใส่บาตรเมื่อออกพรรษามาก็มีตัดบาตรเทโวะถวายอาหารข้าวของต่างๆพอมากรถินก็ถวายผ้ากันแล้วปกติก็ใส่บาตรกันทุกวันมีพระไปบิณฑบาตเราก็ใส่บาตรกันทําไมเราจรึงต้องทํากับาศาสนาทําไมไม่ทํากับที่อื่น ทำที่อื่นก็ได้แต่ได้บุญน้อยกว่าทำกับศาสนาเพราะทำกับศาสนาจะได้บุญสองต่ อ, อบุญที่เป็นอาหารบุญที่เป็นเงินทองแล้วก็ได้บุญที่เป็นธรรมะเป็นแสงสว่างพวกเราตอนนี้ยังเหมือนกับคนอยู่ในที่มืด อ, อยู่ยังมองไม่เห็นทางทางที่เราต้องการไปกัน คือที่ที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราไม่เห็นทางกันเพราะเราไม่มีแสงสว่างลองคิดดูถ้าอยู่บนปะอยู่ในอยู่บนเขานี่ตอนคืน <Yeah. S 2> เวลามืดถ้าไม่มีไฟฉายจะไม่รู้ว่าจะไปทิศไหนทางไหน <Yeah. S 2> มันมืดมองไม่เห็นอะไรฉันใดชีวิตของพวกเรานี้ ขณะที่อยู่ในโลกทิพก็เหมือนกับคนตาบอดหรืออยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางทางที่จะพาให้เราไปสู่ที่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขเนี่ยเราจริงมักจะไปสู่ที่ที่มีแต่ทุกข์และสุขสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปแต่จะให้ไม่มีทุกข์นี่ไม่มีที่พวกเราไปกันเราเรียกว่าตายภพไงสังสารวัตร ตายพก็คือที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังมืดบอดไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมถ้ามาทาบุญกับศาสนาก็จะได้บุญสองต่อได้บุญที่ทำให้เป็นเืินทองไว้ใช้จ่ายแล้วได้บุญที่เป็นแสงสว่างนำทางคือธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมคูนั้นก็จะ สามารถเดินทางไปสู่ท่าที่ที่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขที่ที่มีแต่สุขไม่มีทุกข์เราเรียกว่านิพานเพราะที่นั่นไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในใจภพในสังสารวัฏใจภพนี้ก็มีสามแบ่งเป็นสามภพสามภูมิกามภพรูปภพและอรูปภพนะ กามภพบก็เป็นที่ที่ของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ผู้ที่ยังติดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปเกิดในการมภพบการมภพบนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นสุขมากกว่าทุ ก, กับส่วนที่ทุกมากกว่าสุขส่วนที่สุขมากกว่าทุกเรียกว่าสุคติคือพบของมนุษย์และของเทวดาเนี่ย เป็นสุขติส่วนภบของภบที่มีทุกข์มากกว่าสุขก็เรียกว่าอาบายอาบายก็มีสี่เละชานเปรตอสุรกายนรกแล้วอะไรทำให้ไปเกิดในนรกไปเกิดในอาบายก็คือการทำบาปทำไมคนเราถึงทำบาป ก, กันเพราะมองไม่เห็นไงว่า ทำบาปแล้วจะทำให้ไปเกิดในอบายกันเพราะไม่คิดว่าตายไปแล้วจะไปเกิดต่อคิดว่าตายไปแล้วก็จบร่างกายเห็นแต่ร่างกายไม่เห็นใจเห็นว่าร่างกายตายไปแล้วใครล่ะจะไปรับผลบุญผลบาปจะรับก็เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นทาบาปก็อาจจะถูกไปจับติดคุกติดตาราง ถูกไปปรับถูกไปลงโทษแต่ตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาป ก, ก็เลยไม่กลัวบาป ก, กันคิดว่าอย่างมากก็ตายแล้วก็สูญตายแล้วก็จบนี่ก็เพราะว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่รู้ว่าการทาบาปนี้เป็นเหตุที่ทําให้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นดรราชาน ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าว่ามีโทษตามมาเช่นพวกที่หาทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทามาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเขาปลูกข้าวไม่เป็นปลูกผักไม่เป็นเขาก็มีแต่การไปกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหาร ผู้ที่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพเพราะคิดว่าจําเป็นต้องทําคิดว่าไม่มีบาปไม่เป็นไม่เป็นไรไม่มีผลเสียหายโลกนี้ตายไปก็ไปเป็นเดชะฉานส่วนพวกที่ทําบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆอยากรวยอยากเป็นใหญ่ก็เลยทาบาป เขาทำไม่ทำบาปมันมันรวยช้าหรือรวยยากแต่ถ้าทำบาปแล้วมันรวยง่ายรวยเร็วก็เลยทำบาปกันพวกนี้ไปไปเป็นเปรตพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ก็กำจัดมันกลัวมดกลัวแมลงก็ฆ่ามันกลัวงูก็ฆ่ามันงูเข้ามาในบ้านก็ฆ่ามัน ทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแคนอาฆาตพยาบาทะฟันต่อฟันอย่างนี้ตาต่อตาตัวนี้ตายไปก็ไปนรกเพราะใจรุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นไฟนรกเผาใจเป็นนรกตั้งแต่ยังไม่ตายะ เวลาอาคาตปยาบาทใครนี่แมมันนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับใจมันร้อนนี่คือบาปผลของการทำบาป ท, ที่เกิดจากการไม่มีแสงสว่างเมืให้เห็นทางว่าถ้าไปทางนี้แล้วจะต้องไปเจอจะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเป็ดไปเป็นอสุรกายไปตกนรกกันแถ้าได้ทำบุญกับวัดเนี่ย ก็จะได้ยินได้ฟังธรรมว่าบาปนี้มีผลตามมานะนอกจากหลังจากที่ตายไปแล้วนี่ยังต้องไปใช้ผลบาปต่อคือไปอาบายพอมาทำบุญที่วัดก็เลยได้แสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องของบุญของบาปถ้าทำบุญตายไปก็ไปเป็นเทวดา ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆมีความสุขมากกว่าความทุกข์ทําบุญมากก็ไปสวรรค์ที่มีชั้นสูงกว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งสุขมากขึ้นไปเท่านั้นเปรียบเหมือนกับโรงแรมที่มีระดับดาวต่างกันโรงแรมหนึ่งดาวก็สู้สองดาวไม่ได้สองดาวก็สู้สามดาวไม่ได้ สามดาวก็สู้สี่ดาวไม่ได้ห้าดาวนี่เห็นไหมใครมีเงินมากๆก็ไปอยู่ชั้นห้าดาวกันโรงแรมระดับห้าดาวทุกอย่างพิเศษหมดบริการพิเศษทุกอย่างเหมือนกับเครื่องขึ้นถ้าขึ้นเครื่องบินก็ไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียเป็นปลากระป๋องกับพวกที่เงินน้อยพวกที่เป็นพวกปลากระป๋องนี้เป็นพวกทําบุญน้อยเข้าใจไหม ไปสวรรค์ขึ้นเครื่องบินก็ต้องเบียดเสียกันขึ้นไปพวกที่มีเงินมากก็เช่าเครื่องบินส่วนตัวหรือว่าไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่เขาจะมีที่นั่งที่นอนกว้างขวางสบายมีอาหารมีเครื่องดื่มบริการอย่างเต็มที่เพราะเขามีเงินจ่ายพวกที่ทําบุญมากๆก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นสูง มีความสุขมากถ้าทำบุญน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ามีสุขเหมือนกันแต่สุขไม่มากนี่คือสุขคติเมื่อกี้บอกมนุษย์ความจริงมนุษย์นี้ไม่ได้อยู่ในสุคติมนุษย์นี้อยู่กลางกลางอยู่ระหว่างสุขคติกับอบายคือมนุษย์นี้เป็นพวกที่หลังจากไปใช้บุญหมดแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ หรือหลังจากที่ไปใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์หรือถ้าเวลาอยู่เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบุญตายไปก็ไม่ได้ไปอบายไม่ได้ไปสวรรค์ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์คือเป็นที่ระหว่างบุญกับบาปเท่ากันบุญมีกำลังเท่ากับบาปบุญจะเดินไปอบายจะ เ, เดินไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ อาบาจะดึงไปบาปจะดึงไปอบายก็ดึงไปไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่ตรงกลางมาเกิดตรงกลางตรงกลางก็มาเป็นมนุษย์กันแต่นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่เราจะได้รู้ทางว่าทางเดินที่เรากำลังเดินกันอยู่นี้มันจะพาเราไปทางไหนเหมือนกับเปิดไฟฉายเนี่ยพอเปิดไฟฉายตอนคือโยมจะได้เห็นเนี่ยมีหลายทาง ทางหนึ่งไปกุติทางหนึ่งไปทางนู้นทางหนึ่งไปทางนี้แต่ละทางนี้มันไปไม่ได้ไปที่เดียวกันไปแล้วก็จะไปเจอสถานที่ต่างกันอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานี้ก็มันก็มีอยู่สามทางเดินเดินไปทางบุญเดินไปทางบาปเดินไปทางกลางกลางไม่บุญไม่บาป เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มาทําบุญกับวัดถ้าเรามาทําบุญกับวัดเราก็จะได้มาพบพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นไหมก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันรักชาวพื้นเราจึงถือว่าการทําบุญกับวัดนี้สําคัญที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ไม่มีประโยชน์ที่อย่างอื่นที่จะสามารถตอบสนองได้ เ็านอกจากสอนเรื่องทางที่จะไปสู่อบายทางที่จะไปสู่สวรรค์แล้วยังสอนทางที่จะทำให้เราออกจากสวรรค์ออกจากอบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอีกด้วยนี่ก็มีเป็นทางอีกทางหนึ่งเป็ น, นเป็นเส้นเดียวกับทางบุญต้องไปในเส้นทางบุญคือต้องไม่ทำบาปจะได้ไม่ไปอบาย แล้วก็ต้องหมั่นทำบุญถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็อย่าเอาไปซื้อภพชาติการใช้เงินทองซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดซื้ อ, อยังไงก็เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไปซื้อมาเนี่ยเท่ากับเรากำลังสร้างตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัวความอยากต่างๆอยากได้ลูกเสียงกินรถก็ไปซื้อมาดูมาฟัง มันก็ทําให้เกิดความอยากต่อเนื่องความอยากมันมาเรื่อยๆก็เพราะเราไปเลี้ยงมันพออยากดูเราก็ไปซื้ไปดูพอดูเสร็จก็อยากจะดูใหม่พออยากฟังก็ไปฟังพอไปฟังแล้วก็อยากจะฟังอีกแต่ตั้งแต่เราเกิดมานี่เราหยุดยังความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยังอยากดูรูปอยู่นะยังอยากฟังเสียงอยู่นะยังอยากริ้มรสดมกลิ่นอยู่นะเพราะเราไม่หยุดมันเน่ะ เราไปทำตามความอยากพอมีเงินปับ๊บก็ไปเลยไปเที่ยวกันเนี่ยนะเวลาไปเที่ยวกันก็เหมือนกับไปเลี้ยงความอยากไปซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดที่เราไม่รู้กันเราคิดว่าเราซื้อความสุขกันแต่เป็นความสุขเดียวเดียวความสุขแบบควันไฟนะไปเที่ยวกลับมาแล้วก็หายไปเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าโศงโศจเหงา อยู่บ้านอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องไปทำนู่นทานี่ด้วยความอยากอันนี้แหละท่านถึงบอกว่าอย่าเอาเงินทองไปซื้อภพชาติเอาเงินทองมาตัดภพชาติด้วยการเอาไปทาบุญเพราะถ้าเราไปทาบุญเราไม่ได้ไปทาตามความอยากเราฝืนความอยากความอยากที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ทำแต่เราทำความอยากที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราอยากจะทำบุญนี่ถือว่าเรากำลังจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเดินคนละทางกันถ้าไปทำตามความอยากนี่กำลังพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าไปทำบุญนี้จะพาเราไปสู่การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทำบุญแล้วก็ไม่ทำบาสรักษาศีลก็จะไม่ไปอบายถ้าทำบุญก็จะไปออกจากเวียนว่ายตายเกิด แต่ก่อนจะออกก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนทำบุญแล้วก็พายแล้ไปเป็นเทพแล้วถ้าเราทำบุญอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าภาวนาชำระใจให้สะอาดนั่งสมาธิได้เราก็จะไปเป็นพรมก่อนก่อนจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนีต้องผ่านสวรรค์ชั้นเทพผ่านสวรรค์ชั้นพรมผ่านรูปประรมอรูปประพรม อรูปภพอรูปภพแล้วถึงจะออกไปถึงนิพพานได้เพราะการทำบุญการนั่งสมาธิการรักษาศีลการเจริญปัญญานี้เป็นการหยุดความอยากไม่ได้ทำตามความอยากเช่นอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปอยู่วัดแทนไปนั่งหลับตาไปปิดหูปิดตา ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจก็จะออกจากสวรรค์ชั้นเทพเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปประรมถ้าใจสงบในระดับรูปประชานก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปประพรมหรือได้ไปอยู่ในรูปประพบถ้าได้ฌานในระดับอรูปประชานก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปประพบอรูปประรม เนอรูปรภพที่มีความสุขละเอียดกว่าความสุขของรูปภพความสุขของรูปพรภพนี่ยากกว่าความสุขของอรูปรภพแต่ละเอียดกว่าความสุขของเทพของสวรรค์ชั้นเทพความสุขสวรรค์ชั้นเทพก็ละเอียดกว่าความสุขของมนุษย์นี่มีความสุขหลายระดับความสุขมนุษย์ของมนุษย์นี่ต่ำสุดสูงขึ้นไปก็ระดับของเทพ เทพก็มีหลายชั้นมีไม่รู้กี่ชั้นลองไปเปิดหนังสือดูแล้วสวรรค์ชั้นรูปภพก็มีสี่ชั้นมีฌานทั้งสี่ใครได้ฌานที่หนึ่งก็ได้ไปสู่รูปภพอรูปภพั้นที่หนึ่งถ้าได้อารูปภพได้อรูปฌานก็ได้ไปได้ไปสวรรค์ชั้นอรูปภพมีความสุขละเอียดที่สุด แต่เป็นความสุขชั่วคราวยังยังไม่ถาวรไปอยู่สวรรค์เหล่านี้แล้วพอบุญที่ส่งไปคือสติหมดกำลัง<อ><อ>กิเลสที่ยังไม่ตายที่ถูกสติกดไว้มันก็จะดันใจให้ลงมาหาความสุขที่อยาบเพราะกิเลสมันชอบของหยาบมันไม่ชอบของละเอียดมันไม่ชอบความนิ่งชอบไม่ชอบความสงบ มันชอบรูปเสียงกลิ่นรสยังไงเวลาเรานั่งสมาธินี้นั่งได้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกิเลสมันดันละนั่งต่อไปไม่ได้ละเริ่มนึกสึกอึดอัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ละอะเพราะกิเลสมันย่างออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากจะมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสกอออกจากนั่งสมาธิปั๊บเดี๋ยวหิวน้ําสิหิวกาแฟขึ้นมาแล้วหิวกาโนมขึ้นมาแะ้ะ เลยหิวลูกอยากจะดูรูปเดี๋ยวเปิดมือถือดูแลใครติดต่อมาบ้างใครส่งข่าวมาบ้างเนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันชอบรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันจะทําให้ใจไม่สงบแล้วทําให้ใจสุขแบบสุขสุขดิบดิบสุขแป๊บเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวไปเจอรูปที่ไม่ถูกใจหน่อยก็ทุกข์แล้วพอไปได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจหน่อยก็ทุกข์แล้ว เพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีสองรัวมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เนี่ยถ้าได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูก อ, อกถูกใจก็สุขเนี่ยแต่ถ้าได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์ขึ้นมาเวลาใครชมนี่สุขพอใครด่าหน่อยนี่ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเสียงอันเดียวกันเสียงคนเดียวกัน เวลาเขาชมนี่ยิ้มแป้นเพอเขาด่าเขาตำหนิหน่อยหน้างอเลยแสดงว่าทุกข์แล้วใจไม่สบายใจไม่ชอบนี่คือความสุขของพวกมนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่มีสติมันจะกิเลสมันจะดันใจให้ออกไปหาลูกเสียงกล่ดลด ถ้าเราฝึกสติบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ได้เรื่อยเราจะดึงมันเข้าข้างในแล้วถ้าเรานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วมันก็จะกลับไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมอยงั้นถ้าอยากจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมนานๆก็ต้องมีสติมากๆสร้างสันติขึ้นมาบ่อยๆผู้ที่สามารถสร้างสติได้ทั้งวนันทั้งคืนนี่ เขาไม่ต้องไปทางตาหูจมูกนิ้กนกายเขาจะอยู่ในในฌานขั้นต่างๆเวลาออกมาจากฌานใจก็ยังมีสติคมอยู่ไม่ไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสแล้วพอออกมาทำกิจเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนอริยาบทให้ร่างกายได้มีการผ่อนคลายนั่งนานๆมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ออกมาเปลี่ยนอริยาบท ออกมาดื่มน้ำออกมาทายปัสวะมารับประทานอาหารพอทำกิจของร่างกายเสร็จก็กลับไปใหม่กลับไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมใหม่กลับไปนั่งสมาธิเข้าฌานเข้ารูปฌานเข้าอารูปฌานนี่ก็เป็นความสุขระดับอของพรหมแต่ก็ยังอยู่ในไตพ้พอบิวอยู่ในรูปภพกับอรูปภพ ที่ยังอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือยังเสื่อมได้อ น, นิจจังไม่ถาวรเวลาเสื่อมก็ทุกข์ขึ้นมาเสื่อมจากความสุขที่ละเอียดมาสู่ความสุขที่หยาบก็เหมือนกากไย้ายโรงแรงจากห้าดาวมาสี่ดาวเนี่ยมันก็ทุกข์ลวมันบริการไม่เหมือนกันหรือย้ายจากคอนโดสองล้านมาอยู่คอนโดล้านหนึ่งนี่มันก็ไม่เหมือนกันละ ความสุขมันไม่เท่ากันอันนี้ยังอยู่ภา ย, ภายในตายภพอยู่แล้วใ น, ในที่สุดก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเวลาที่ไปอยู่ในสวรรค์นี้ไม่มีโอกาสสร้างบุญสร้างบุญไม่ได้มีแต่ไปใช้บุญไปรับผลบุญอังนั้นบุญที่ได้สะสมไว้มันก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนกับน้ำมันที่เราเติมใส่ถังรถยนต์ เวลาใส่เติมถังเต็มถังเราก็ขับรถไปไหนมาไหนได้แต่เดี๋ยวก็หมดน้ํามันหมดก็ต้องกลับมาที่สถานีบริการเพราะที่อื่นไม่มีน้ามันใช่ไหก็ต้องกลับมาที่สถานีบริการพบของมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนสถานีบริการพอทำบุญหมดแล้วใช้บุญหมดแล้วไปสวรรค์ชั้นผมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพพอหมดบุญก็ต้อง ลงมาเป็นมนุษย์นะก็จะได้ต้องมาทําบุญใหม่นี่คือผลที่ได้จากการทําบุญที่ยังติดอยู่ในตายภบอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะออกจากตายภบนี้ได้อย่างไรนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนทุกคนยังจะต้องติดอยู่ในตายภบนี้ทําได้อย่างมากก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม สวรรค์ชั้นพงก็ไปด้วยการทำบุญรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ก็ต้องกลับเสริมกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าพลั้งเผลอ ไ, ไปอยู่กับคนไม่ดีไปคบคนพาลเดี๋ยวชวนไปทำบาป<อ>ถ้าไปทำบาปกว่าเขาก็ต้องไปเกิดในอบายก<อ>็<อ>ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะไม่รู้จัก กุญแจที่จะเปิดประตูให้ออกจากตายภพนี้ได้ต้องรองให้พระพุทธเจ้ามาหากุญแจพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนพบกุญแจคืออริยสัจสี่อริยรรสัจสี่นี้จะบอกให้เรารู้ว่าภพชาติต่างๆนี้เกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ เราก็ยังจะต้องติดอยู่ในตายพเนี่ยเราเวลาเรามีความอยากเราก็ทําได้สองทางเนี่ยทโดยไม่ทําบาป ก, กับทาด้วยความด้วยการทําบาปเช่นถือศีลข้อสามได้ก็ไม่ทําบาปพวกที่ถือศีลข้อสามไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเวลาอยากจะเสพการก็ไม่สนใจว่าเป็นสามีเป็นภรรยาของใครพวกนี้ก็ จะแสดงว่าทำบาปพวกที่เขารู้ว่าทำบาปนี้จะพาให้เขาไปอบายเขาก็ประพฤติให้มันถูกประเพณีอยากจะเสด็จการก็ต้องมีสามเป็นสามีเป็นภรรยากันไปสู่ขอกันไปแต่งงานกันไปประกาศให้โลกชาวบ้านเขารู้กันว่านี่เป็นของเรานะเป็นของกันและกันถ้าทำแบบนี้ก็ไม่เป็นบาปแต่ก็ยังเป็นความอยากอยู่ ทำด้วยความอยากตายไปก็ยังอยากจะกลับมาเกิดมีสามีใหม่มีภรรยาใหม่ก็ยังจะออกจากการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่ได้แต่ถ้าหยุดความอยากในกามได้หยุดความอยากที่จะเสพกามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบเลยผู้ที่สามารถเลิกหยุดกามได้คือพระโสดาบันเนี่ย อย่างพระอนาคามีพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่เริ่มพบกุญแจเริ่มเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้การเวียนว่ายตายเกิดของใจนี้เกิดจากความอยากก็เลยหยุดความอยากหยุดความอยากในในร่างกายในความเจ็บปวดของร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปวดไปตายไปไม่ไปยุ่งกับมันก็จะไม่ต้องไปทําบาปพวกที่เวลาทนกับความเจ็บความตายไม่ได้บางทีก็ต้องไปทําบาเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ออพระโสดามันนี้จะไม่ไปทําบาเพื่อไปรักษาชีวิตของตนเพราะเห็นด้วย ทำแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเรายังไงก็ต้องตายแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจเราอย่าไปทําบาปเราไม่ต้องไปทําบาปยังไงทําบาปก็ตายไม่ทําบาปก็ตายแต่ทําบาปแล้วต้องไปอบายหลังจากที่ตายไปแล้วแต่ถ้าไม่ทําบาปก็ไม่ต้องไปอบายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่เกินเจ็ดชาตินพระโสดาบันปิดประตัวบายได้เพราะท่านเห็นว่ามีดวงตาเห็นธรรมว่าการทําบาสนี้จะพาให้ไปเกิดในาบายท่านก็เลยไม่ทําบาปอีกต่อไประหวังถ้าระหวังการอดตายกับการที่ไปฆ่าสัตว์มากินนี่ท่านยอมตายดีกว่าอย่างตอนนี้กําลังกินเจกันอยู่เนี่ยเอกินเจมันต้องกินเพราะว่า เราไม่อยากจะฆ่าสัตว์เราก็เลยเลือกสมมติว่าถ้าเราต้องหาอาหารเองต้องไปฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารเราไม่อยากจะไปอบายเราก็เลิกกินเนื้อสัตว์เลอกฆ่าสัตว์แต่ถ้ามีเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเขาเอามาขายนี้ถ้าซื้อมากินก็ไม่บาป ก, กินได้เพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาตายแล้ว เขาจะตายด้วยใขร่เราไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเราเมื่อมีของตายมาขายเรามีเงินซื้อเราก็ซื้อมากินก็ได้ซื้อมาเป็นอาหารไม่ซื้อมากินก็ได้ะจะกินผักกินเนื้อตายแล้วไม่ต่างกันเนื้อที่ตายแล้วก็เป็นเหมือนผักเพราะมันไม่มีชีวิตนะผักที่เอามาขายมันก็มันก็ตายแล้วเหมือนกันดังนั้นการกินเนื้อแล้วกินผักนี้ไม่ได้ทาให้ ออไปอาบายหรือไม่ไปอบายการจะไปอาบายหรือไม่ไปอาบายนี่อยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่าไม่ได้อยู่ที่การกินหรือไม่กินกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่ไปอบายเหมือนกับคนที่กินผักก็ไม่ไปอบายเหมือนกันแต่คนที่กินผักแล้วไปต้มยุงไปฆ่ามดนี้ก็ยังไปอบายได้อยู่ยงั้ มันการจะไปอบายไม่ไปอบายไม่ได้อยู่ที่การกินผักหรือกินเนื้อที่ตายแล้วนะครแต่ถ้ากินเนื้อที่เราไปฆ่าเองเนี้ยอย่างเงี้ยไปแน่ๆน่เช่นไปหรือไปชี้บอกให้เขาฆ่าให้เราเช่นไปตามร้านอาหารที่มีอาหารทะเลอาหารสดๆมีปลาว่ายอยู่ในอยู่ในถังเนี่ชี้บอกเอาตัวนี้นะเขาก็ช้อนมันขึ้นมาแล้วก็เอาไปฆ่า ถ้ากินแบบนี้บาปกินแบบพอเราสั่งให้เขาค่าทำเองก็ดีสั่งให้เขาทำก็ดีเทว่าบาปเท่ากันแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเราไปแล้วคนอื่นสั่งเราเราต้องรับ ว, ว, ว, วันที่สงของเขาเราอย่าไปสั่งก็แล้วกันถ้าไปหลายคนถ้าสั่งก็สั่งผัดผักก็แล้วกันอย่าไปสั่งอ่ปลาถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็ถามว่าไอ้ที่ตายแล้วมีไหม ถ้าที่ตายแล้วมีเอาที่ตายแล้วก็ได้อย่างนี้ก็ไม่บาปยันอย่าไปเข้าใจผิดก็ว่าจะต้องกินผักอย่างเดียวฉะนั้นถึงจะไม่บาป ก, กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่บาปเหมือนกันเนื้อสัตว์ที่มันตายด้วยเหตุใดก็ตายบางทีมันแก่ตายโดนรถชนตายเอาเนื้อสัตว์นี่มากินก็ไม่บาปแต่อย่าไปกินเนื้อสัตว์ที่เราฆ่าเองหรือสั่งให้เขาฆ่า อย่างนั้นถึงจะบาปไอบางคนยังไม่เข้าใจคิดว่ากินเจแล้วจะไม่ต้องไปอบายแต่กินเจแล้วไปตบยุงไปฆ่ามดนี่มันก็ยังไปอยู่ต้องไม่ฆ่าไม่ใช่อยู่ที่กินผักไม่ไม่กินผักถ้ากินผักแล้วไม่ต้องไปอบายพวกวัวควายมันก็ไม่ต้องไปอบายวัวควายมันก็กินผักกินเจ แต่มันก็ไปขโมยผักของคนอื่นไปกินหญ้าของคนอื่นไปกินข้าวของชาวนาชาวไร่นี่มันก็ไปทำบาปไปขโมยอย่างนี้ก็ยังไปอบายอยู่ <c oughs> นั้นจะไปอบายไม่ไปอบายอยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาป <c oughs> นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำบุญกับพระพุทธศาสนา การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการได้แสงสว่างเราไม่มีไฟไม่มีไฟฉายเวลาเราไปอยู่ที่มืดเราก็ต้องขอยืมไฟฉายของคนที่เขามีหลายกระบอก เ, เขาแบ่งให้เรามาเราก็เลยสามารถเดินไปที่เราต้องการจะไปได้เพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแสงสว่างแห่งธรรมมาจ่ายมาให้กับพวกเราเการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทําให้ เราหูตาสว่างเราจะได้เห็นทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆทำบาปก็ไปอบายทำบุญก็ไปสวรรค์นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะไปสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมสองชั้นรูปประรมกับรูปประพรมแล้วถ้าเรามีกุญแจไขประตูออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ คกอมีปัญญาเห็นว่าการกลับมาเกิดนี่เกิดเพราะความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากแล้วก็อยากไม่ได้นู่นอยากไม่ได้นี่มีสามอยากด้วยกันอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็กลับมาเกิดในกามะพบอยากได้นู่นได้นี่ก็เกิดในรูปะพบ อยากไม่ได้นู่นอยากไม่ได้นี่ก็ไปเกิดอรูปภพอรูปภพมันไม่มีอะไรอยากอยากได้ความว่างก็ไปอรูปภพอยากได้ความสงบของฌานก็ไปสวรรค์ชัน้นรูปฌปาน อ, อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายก็ไปเกิดในกามะภพไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเปตหรือเป็นเดรัจฉานขึ้นอยู่กับ การหาความสุขว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปนี่คือแสงสว่างที่เราจะได้รับพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็ทำบุญขั้นที่สองก็ละ บ, บาปทาบุญเพื่อที่เราจะได้ไปสวรรค์ละบาปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปอบาย แล้วก็มากําจัดชําระกิเลสความอยากต่างๆสามประการที่เป็นตัวดึงให้พวกเราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้ามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นลด mm hmm. ก็ต้องมีตาหูจมูกนินก้วกายหลังจากที่ไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดในโลกทิพย์แล้วพอมุนหมดแล้วก็ต้องมาหารูปเสียงกลิ่นลดใน ในโลกหยาบในโลกกธาตุ <c oughs> ก็ต้องมามีร่างกาย <c oughs> มาเกิดใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทุกกับความเป็นมนุษย์ทุกกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกกับการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแล้วก็พบกับการพัดพากจากกันแล้วก็พบกับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าไม่มาเกิดด้านสบายกว่า <c oughs> ไม่มาเกิดก็ต้องหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลตะปาให้ได้หยุดความอยากในอารูปรภพด้วยการหยุดความอยากที่จะหาความสุขอันละเอียดจากการทําใจให้สงบนะและหยุดความวิวิภาวะตันหาก็หยุดความอยากที่จะไม่มีอะไรถ้ายังมีก็มีไปไม่มีก็ไม่ต้องมี แต่เวลามีแล้วอยากไม่มีมันก็ทุกเวลาไม่มีแล้วอยากมีก็ทุกแต่ถ้ามีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีอยู่กับมันได้ทั้งสองอย่างก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้ถ้ามีก็อยู่กับมันถ้าไม่มีก็ไม่อยู่อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านตัดความอยากได้ร่างกายท่านยังมีอยู่ท่านก็ยังมีอยู่กับมันไปท่านก็ไม่ได้อยากให้มันตาย มันยังจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปแล้วพอเวลามันจะตายท่านก็ปล่อยให้มันตายไปถ้าไม่มีความอย า, อยากอยู่หรือความอยากตายได้ทั้งสองอย่างอันนี้ถึงจะเรียกว่าหลุดจริงๆหลุดพ้นจากความอยากทุกประการบางคนคิดว่าบรรลุถึงนิพพานแล้วก็ฆ่าตัวตายอันนี้ก็แสดงว่ายังอยากตายอยู่เป็นฆ่าตัวตายอันนี้ก็ยังหลงทางอยู่ ถึงนี่ผ่านจริงๆแล้วจะไม่มีความอยากอยากได้ก็ไม่มีอยากไม่ได้ก็ไม่มีมีแล้วก็อยากจะให้มันหายไปก็ไม่มีมีก็ปล่อยมันอยู่ไปไม่มีก็ไม่ได้อยากได้มันมาอยู่กับมันได้ทั้งสองอย่างอยู่กับสุขก็ได้อยู่กับทุกข์ก็ได้คนที่ไม่มีความอยากนี่ี่อยู่ได้กับทุกสภาพรวยก็ได้จนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้ เป็นเล็กก็ได้ไม่เดือดร้อนเป็นนายกวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นขอทานก็ได้ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีความอยากที่จะเป็นนากเป็นนายกหรือเป็นขอทานเป็นได้ทั้งนั้นอันนี้แหละที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ไม่ต้องการลาบยศจลาเสริญไม่ต้องเงินไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโต ไม่ต้องการที่จ ะ, ะให้คนมายกย่องสรรเสริญคารุบนับถือไม่ต้องการหาความสุขจากรูปเสียงเกียรนลดต่างๆอยู่เฉยๆได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้ถ้ามีก็อยู่กับมันได้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนนี่คือการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากตายพบ ต้องมีกุญแจคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกทุกคืออะไรทุ ก, ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองเกิจากอะไรก็เกิดจากการมติหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นโนนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ mm hmm. ก็ทำให้ต้องมีการมาเกิดอยู่เรื่อยๆ mm hmm. แล้วจะหยุดการมาเกิดได้ยังไง ก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ไงตอนนี้หยุดไม่ได้ไม่มีกําลังใช่ไหมยังอยากอยู่ใช่ไหมทั้งๆที่รู้ว่าอยากแล้วต้องกลับมาเกิดนะก็ย mm. ังอดไม่ได hm. ้ยังอยากมีแฟนยังอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่ถ้าไม่มีความอยากก็ต้องแยกกันอยู่ได้ถ้ายังต้องอยู่ด้วยกันก็แสดงว่ายังอยากอยู่้เราจะทำไงถึงจะแยกออกจากกันได้ไม่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาะ ต้องไปถือศีลแปดกันพอศีลแปดก็นอนร่วมกันไม่ได้ละอยู่ร่วมกันได้ถ้าไมไ่นอนร่วมกันเดี๋ยวก็ไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ไปก็เท่านั้นไม่ได้อะไรที่อยู่ร่วมกันเ้าได้นอนร่วมกันถ้ามาถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สเจ็ดนี่ก็นอนร่วมกันไม่ได้นะต้องมีศีลแล้วพอไม่ได้นอนมันก็จะทุกข์กเลยต้องใช้วิธีแก้วความทุกข์ด้วยการนั่งสมาธิ ว่าถ้าไม่นั่งสมาธิมันจะทนไม่ไหวเดี๋ยวมัน่าจะกลับไปเดี๋ยวศีลก็แตกศีลก็ขาดเดี๋ยวก็ต้องกลับไปนอนกับแฟนแต่ถ้าไม่อยากจะกลับไปนอนกับแฟนก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขไม่ไม่มีความอยากที่จะนอนกับใครแต่ถ้าอยากจะให้มีความสุขอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจ ทุกครั้งอยากจะกลับไปหาแฟนก็บอกว่าอย่าไปเลยไปแล้วเดี๋ยวต้องไปอยู่เรื่อยๆตายไปก็อยากจะกลับมาหาก็ใหม่ ก, ก็ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ mm. ถ้ามีศีลสมาธิปัญญา mm. ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดพ mm. อไม่มีความอยาก mm. ความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มี mm. การเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปก็ได้ไปถึงนิพพาน นิพพานก็คือจุดที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขจุดที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายคือผู้ที่ได้หยุ ด, ยดความโลภหยุดความอยากทั้งสามแล้วอก็จะไปอยู่ที่นิพพานต้องผ่านอริยสัจสี่ต้องมีกุญแจคืออริยรรสัจสีเปิดประตูของพระนิพพานเข้าไปาอริยรรสัจสีไม่ใช่นิพพานาอริยสัจสี่เป็นกุญแจ ที่เราจะต้องเอามาใช้ตอนนี้เรามีอริยาาสัจสี่กันว่าแต่เราไม่ยอมใช้กันเนี่ยพระพุทธเจ้าให้กุญแจกันมาคนละดอกเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเท่านบอกหมดแล้วแต่เราไม่ยอากุญแจนี้ไปขประตูเนี่ยังเก็บไว้ในกระเป๋านะ ก็ยังไม่อยากไปรักษาศีลยังไม่อยากไปนั่งสมาธิยังไม่อยากไปเจริญปัญญาถึงแม้อยากจะหยุดความอยากแต่ขี้เกียจยังยังเสียดายความสุขจากแฟนอยู่ยังเสียดายความสุขจากเงินทองเข้าของอยู่<อ>ก็เลยไปไม่ได้กันถึงแม้จะได้กุญแจแล้วถ้าไม่ไปไขมันก็เปิดประตูไม่ได้แต่คนที่เารับกุญแจมาแล้วเขาไป เขาไปขายเขาเปิดประตูเขาก็าไป น, นิพพานกันหมดเลยเห็นไหมหนวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านก็เหมือนเราท่านก็มีความอยากเหมือนเราแต่พอท่านได้มาฟังเทศฟังธรรมได้กุญแจจากพระพุทธเจ้าได้อริยาาสัจสีท่านก็ไปขายเปิดประตูเลยขายด้วยการไปบวชเห็นไหมไปรักษาศีลไปเจริญสมาธิไปเจริญปัญญาพอท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญา มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้มีกําลังที่จะเปิดประตูได้ไขกุญแจได้พอไขกุญแจก็เดินออกไปสบายออกจากใจพุกไปออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปพอพ้นประตูไปปั๊บก็เข้านิพพานไปเหมือนกับคุกนะเลวลาเขาปล่อยเราออกจากคุกเนี่ยพอออกจากประตูคุกไปมันก็เป็นโลกเสรีแล้ว จะไปไหนมาไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้สบายแต่เวลาอยู่ในคุกก็ต้องถูกเขาสั่งถูกเขาทาสั่งให้ทำอะไรต่างๆถูกเขากักเขาขังจะไปไหนมาไหนเองก็ไม่ได้แต่พอเราได้กุญแจเปิดประตูออกจากคุกเราจะกลับเข้าไปในคุกไหมไม่ไปแล้วอันใดความสุขของไตภบนี้ก็เหมือนคุกตารางนี่เอง ผู้ที่ได้ออกจากคุกตารางนี้แล้วรับรองไม่กลับมาพระพุทธเจ้าพรสาวกทั้งหลายท่านไม่กลับมามีสามีมีภรรยาเหมือนพวกเราท่าไม่กลับมาหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหมือนพวกเราเพราะท่านได้ของที่ดีกว่าเพราะท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีการ น, นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสุขเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วก็ต้องมาหวงมาห่วงแล้วก็ต้องมาร้องหง่มร้องไห้เวลาที่จากกันไป นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมหรือกุญแจสู่พระนิพพานนี้เราจะไม่ได้รับจากที่ไหนถ้าเราไม่ได้มาทําบุญกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไปทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนทําบุญกับองค์กรสาธารนณะประโยชน์ต่างๆเราจะไม่ได้รับกุญแจที่จะเปิดประตูให้เราไปสู่พระนิพพานมันเปนกุญแจที่จะเปิดให้เราออกจากคุกตาลางแห่งการเยียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าเรามาทําบุญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะได้รับกุญแจนี้ไปนอกจากได้บุญแล้วทําบุญแล้วมีความสุขมีอาหารหน่อเลี้ยงใจแล้วยังได้กุญแจที่จะไปเปิดประตูให้เราออกจากคุกตารางแห่งการเย็นว่ายตายเกิดด้วยนี่แหละทําไมเราถึงต้องมาทําบุญกับวัดกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเราต้องการที่จะออกจากคุกตารางนี้เอ ถ้าเรายังไม่สนใจยังอยากจะอยู่ในครุฑกรางก็ไปทําที่อื่นก็ได้เหมือนกันถ้าอยากจะได้ความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญทําที่โรงเรียนก็ได้ทําที่โรงพยาบาลก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับญาติพี่น้องก็ได้ใครเดือนร้อนช่วยเหลือเขาก็ได้ความสุขนะเหมือนกับช่วยพระก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีกุญแจไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมให้เราเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาทําบับพระ อริยสงฆ์นี่ท่านจะมีกุญแจมาแจกเรากุญแจที่จะเปิดประตูพระนิพพานคือพระอริยสัจสี่นี่ก็คือเรื่องของที่มาของการทำบุญต่างๆที่เราทำกันเช่นในวันนี้ก็มีการทำบุญถวายผ้ากถินที่วัดยานนอกจากถวายผ้าแล้วก็มีถวายเงินทองไว้สำหรับปฏิคราะหำรุงพระศาสนาเบญญาปฏิสังขรณ ถาวรและวัตถุต่างๆ ท, ที่ชำรุดที่ชำรุดทรุดโทรมเช่นโบสถ์เจดีย์กุฏิสาราใช้ไปใช้ไปมันก็ชำรุดได้ก็ต้องนอกจากผ้าแล้วก็ต้องอาศัยเงินทองที่ญาติโยมแบกมาเสียสละมาเพื่อที่จะได้รักษาศาสนาให้อยู่ไปนานๆเพื่อที่เราจะได้มีแสงสว่างแห่งธรรมพาชีวิตของเราให้ไปสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมีวะอโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตสัพเพบริเณตุสังก p ปาจันโทปนะราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพะโรโขวินาศตุ มาเตภวตวันตาวายุสุขีทีขาโยโกผวะอภิวะธนศีลิบสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานเตอายุวโนสุขังภาวั วันนี้เฟซบุกมี436ครับยูทูบมี97าุนเขามี60พัส21สครับมีพัส2 ม, มาด้วยเหรออยู่ข้างบนแล้วครับแล้ววิทีุยัยงไม่มีวันนี้มีครับอาจารย์มีเปิดอยู่ร ค, ครั บ, เ, บมเมื่อเช้าพอมแพงครับจะเลยดับขอบนแพงทางไม่ชี้เลย่จ่ใช้วิทยุยหรฟังวิทยุเลยใช่ครับอาจารย์ มีใครถวายของเชิญได้นะครับอ่ยังาวา้ข้าวของได้นะใครมาใครต้องการหนังสือเล่มใหม่ก็มาเอาได้หนังสือสมาธิภาวนาวิธีทำใจให้สงบวิธีไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมพรมบารลกที่เหนือกว่าโรงแรมห้าดาว เป็นโรงแรมโรงแ้มสวนตัว อ, อยู่คนเดียวอ่าอยู่ได้ทุกเล่มเ ล, เลยนะชาติอยากชอบอ่านหนังสือก็เอาไปเลยมีซีดีด้วยหนึ่งแผน่นเอาไปต้องเอาไปอ่านนะเอาไปทำการบ้านนะไม่ใช่เอาไปเก็บไว้เฉยเฉยเดี๋ยวคราวหน้ามาจะถามจะรับการบ้าน ยปานไงหมอแฟนเรียนจบหรือยังติสองเดือนครับสองเดือนไปทั้งหมดกี่กี่เดือนสองปีอ๋อเร็วนะไปเรียนทางพิเศษเหรอทางเด็กเหรอหรือทางผิวหนังทางจิตเวชเด็กปัจจุบันสี่ถึงห้าขั้วขการทำไมไม่รีธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่จิตเวชล้วน มีวันี้ก็ไปเรียนเกี่ยกับการใช้ไมโครเน็ตใช่ไหมครับคุณพ่อเสียซะค่ะคุณพ่อของรู้ะ อ, อายุเท่าไหร่เจ้าสิบเอ็ดก็เมีบุญ อ, อยู่ได้นานกว่าพราะพุทธเจ้าใได้กำไรก็ทำบุญให้ท่านไปเผื่อท่านไม่มีจะได้รับบุญส่วนนี้ไปได้ น, นี่ปัจจัยของหนูกับคุณพ่อเจ้าค่ ะ, ะนี่พี่สาวค่ะเป็นหมออยู่ที่ที่สงขานะครับยังไหมสงขานะก็ยู่อยู่ที่สงขานะาใหญ่ทาไมไปอยู่ไกลล่ะไปทา ง, งา น, น, น, น, งนกกที่นั่นตั้งแต่สิปีแล้วเป็นจบจากที่นั่นนะจบสิริราชสิริราชปฏิบัติไปทาบุญไปนะ เอาการจากของพ่อเรามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าต่อไปพวกเราก็ต้องไปเหมือนกันแล้วไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราหลังจากที่เราไปนอกจากบุญถ้าเราทำบุญเราจะมีที่พึ่งเราไม่ต้องมารอส่วนบุญของผู้อื่นทำไปนะเงินทองเอาไปไม่ได้รีบเอาเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี่มาแบ่งเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าทำไปเรื่อยๆไม่ต้องทาทีเดียว เพราะทำทีเดียวมากๆมันยากแต่เราทำทุกวันทำเทียรเล็กเทียน้อยเดี๋ยวปีนี้มึงก็ได้มากเองพยายามาทำบุญให้เป็นนิสัยนะแล้วเราจะมีบุญติดตัวไปตรงนี้ห็นแก้วไปเรียนต่อเลยพี่แก้วไปเรียนนะแต่ก็มาทำมาทำงานนะทำงานกัน แลข่าวว่าเขาจะเลื่อนเขาจะดันให้เป็นผู้บริหารนะดูเหมือนอย่างนั้นนะ้วก็ค่ะโอเคเขาให้เขาเขาให้ก็เอาเาไม่ให้ก็ ไ, ไ ม, ม่ต้องไปกังวลมีคำถามไหมเชิญถามได้อยากจะถามว่าเว <c oughs> ลานั่งสมาธิมันเปียกค่ะ เราพอบหายใจมันเบาไปถึงจุดหนึงกับหายใจไม่ออกเราไปบังคับมันหรเปล่าหรือว่ามันมันไม่หายใจเองเมื่อก่อนนี่เป็นเราปล่อยมันเฉยๆได้ไหมมันมันไม่หายใจก็ปล่อยมันไม่หายใจได้ไหมให้ดูเฉยๆก็พยายามดูแต่มันมันอึดอ่ะอย่าไปอย่าไปหาลม ว่าเวลาเราภาวนาไปจิตมันจะละเอียดแล้วลมมันจะมันจะเบาลงเบาลงจนอาจจะไม่เห็นลมก็ได้ถ้าไม่เห็นลมก็อย่าไปไขว้คว้าหาลมถ้าเราเราก็นั่งเหมือนตอนที่เราเริ่มนั่งนั่งไปดูไปเฉยๆถ้าไม่มีลมก็ดูความว่างไปแต่อย่าไปอยากให้มีลมอย่าไปหาลมมันจะเกิดความรู้สึกเกิดอัดเหมือนก่าไม่มีลมหายใจ ไม่มีลมมันมีคือใจร่างกายไม่ต้องหายใจมากไงตอนที่จิตมันละเอียดมันก็อะไรไม่ต้องหายใจบ่อยเหมือนตามปกติก็ดูเฉยๆไปให้รู้เฉยๆดูหรือว่าแต่วพา ถ, ถ้าตอนที่เริ่มนั่งอะคะ่ะใจมันเกี่ยวกับลมอย่างนี้คตอนมันหายไปมันเลยหาไม่เจอไม่ต้องไปหามันก็รู้ว่ามันหายไปไงให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ ลมมีก็รู้ว่ามีลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่าสั้นยาวลมไม่มีก็รู้ไม่มีอย่าไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปตุงแต่งบางคนไปคิดว่าไม่มีลมแล้วเดี๋ยวตายหรือเปล่าก็เลยไขวยคว้าหาลมก็เกิดความรู้สึกเหมือนคนจะขาดใจตาย ไม่ต้องไปหาเฉยๆแล้วมันจะไม่มีอาการอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบมันใกล้จะสงบนะมันจะรวมนะให้ดูไปเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งลองไปทำดูใหม่นะมีการอยากจะถาไ ม, ม่มั้ย ไม่มีก็จะให้ทางบ้านเประมาณนี้ทางบ้านไม่ได้ถามเลยนะําามจะทาง a c e b o o k นะครับแตคุณอัญชนานะครับหนูนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกแต่พอนั่งไปจะเหลือแต่รู้ว่าเข้าออกแต่จะไปคิดถึงคําสอนของครูบาอาจารย์แต่พยายามรู้ลมหายใจใหม่คะ่ะก็พยายามดึงใจกลับมาให้อยู่ที่ลมอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่มันแทรกเข้ามาได้เป็นธรรมดาอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งไปอยากมันยิ่งแสดงว่าเราไปยุ่งกับมันแล้วมันจะมาก็มามันจะไม่มาก็ไม่มาให้เราอยู่กับลมไปอย่างเดียวเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆรถข้างซ้ายข้างขวาก็จะแซงซ้ายแซงขวาก็เลื่องของเขาไปเราก็ขับของเราไปให้มันอยู่ในถนนของเราไปเรื่อยๆให้มันปลอดภัย เหมือนกันเวลานั่งดูลมก็อย่าไปสนใจกับอะอาการต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นภาพอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจดูลมไปเรื่อยๆจากคุณสุดขอบฟ้านะครับถ้าเราเป็นคนเตรียมอาหารให้พ่อใส่ปากทุกเช้าได้บุญเท่ากันหมครัคืออาหารนี้เมือนที่วเป็นของใครใครเป็นคนจ่ายเงินซื้ออาหารนี้เงินของใคร คนนั้นอ่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าของอาหารเป็นคนที่ได้บุญส่วนคนช่วยทํานี้ก็เป็นคนได้บุญอีกอย่างหนึ่งตัวบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนบุญคนละชนิดกันอันนี้สองต่างกันบุญที่ได้จากการเสียสละเงินทองก็จะทำให้เรามีเงินทองรอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้าเงินที่บุญที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะทําให้เรามีผู้อนคอยช่วยเหลือเราในชาติหน้าพบหน้าผลตอบแทนไม่เหมือนกันเหมือนปลูกอ้อยปลูกอ้อยกับปลูกกล้วยปลูกกล้วยก็ได้กล้วยปลูกอ้อยก็จะได้อ้อยคําถามจากคุณรุจีนะครับเมื่อมีคนมาพูดให้เราโกรธเราจะรังนับด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆแต่ใจเรายังรู้สึกไม่ดีจะทําอย่างไรอีกดีคะ ใช้คำบริกรรมจะดีกว่านะอย่าคำบริกรรมเนื้อสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเรื่องเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปเดี๋ยวสัก5านาทีมันก็ลืมแล้วลมันก็หายโกรธ YouTube นะครับจะคุณบีบนะครับคนที่ฆ่าตัวตายต้องทำแบบเดิมไปอีกห้าร้อยชาติ คือนับเฉพาะชาติที่ได้กลับมาเกิดเป็นคนใหม่คะหรือทุกชาติไม่ว่าเดระฉานหรืออื่นๆก็มันจะเป็นนิสัยไปเรื่อยๆไงเป็นคําว่าห้าร้อยนี่เป็นเพียงแต่ตัวเลขเท่นั้นเองแต่ถ้าเคยทําอะไรเอยแก้ปัญหาอย่างไรมันก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมไปจนกว่าจะเปลี่ยนการแก้ปัญหามันถึงจะไม่ไม่ฆ่าตัวตายเช่นถ้าฆ่าตัวตายก็ไปหาพระไปหาวัดไปหาธรรมะแล้วไปศึกษาวิธีแก้ความทุกข์ ว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากใจไม่สงบเกิดจากความอยากก็ไปทำใจให้สงบหยุดความอยากเนียแล้วความทุกข์ก็จะหายไปไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ไปหาวิธีนี้ก็จะใช้วิธีเดิมพอทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายจะคุณสุทานนท์นะครับตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเคยได้ยินคากล่าวไว้ว่า อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้แต่ตนเองตอนนี้ต้องออกจากบ้านไปหาที่สงบเพราะช่วยให้ปฏิบัติได้ดีกว่าที่บ้านแบบนี้ถูกหรือไมค่ครับถูกต้องที่ไหนก็ได้แต่มันจะมีประโยชน์มากน้อยต่างกันเหมือนรักษาตัวนี้รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ผลมันต่างกันรักษาโรงพยาบาลมันเครื่องมา้าเครื่องมื อ, อยูกยามันพร้อมกว่ารักษาที่บ้านมันก็ อาจจะรักษาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับการนั่งสมาธินั่งในที่วุ่นวายกับนั่งในที่สงบมันก็ผลต่างกันถ้าเรามีที่สงบไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นวัดก็ได้ทั้งนั้นถ้ามีที่ไม่สงบเราก็อย่าไปเราไปหาที่สงบที่สงบอาจจะเป็นวัดก็ได้อาจจะเป็นห้องของเราก็ได้ถ้าเรามีคอนโดอยู่คนเดียวเราก็อยู่ในคอนโดเปิดประตูเปิดหน้าต่าง มีเครื่องปรับอากาศก็เปิดมันไปมันก็จะไม่มีอะไรมารบกวนเราคำถามจากคุณวิษณุนะครับการที่พระไปถังตัวเองในถ้ำนานๆหลายปีไม่ออกบินจบาดไม่ทำกิจสงไม่ปลงผมไม่ฟังปฏติโม่แต่ให้คนเอาข้าวน้ำไปสง่งไว้ผมยาวปะป่าแล้วอ้างว่าปีกวิเวกถูกต้องไหมก็อาจจะเป็นฤาษีได้อยู่ แต่ถ้าเป็นพระในวินัยพระของพระบุทธศาสนานี้ท่านมาีข้อวัดปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติเช่นบินธบาตต้องอยู่ถ้าถ้าถ้าอยู่คนเดียวก็ถึงเวลาก็ต้องลงปฏิโมกไปหรือถ้าไม่ลงปฏิโมกก็ต้องสแสดงบริสุทธิ์อะไรอย่างได้อย่างหนึ่งแต่ต้องมีกิจวัตรนอกจากช่วงที่อดอาหารนี้ ก็อาจจะไม่ไปบินทาบาทนะเก็บตัวอดอดเพื่อที่จะใช้เป็นการกระตุ้นความเพลยนไม่ได้อดเพื่อที่จะบรรลุธรรมการอดอาหารนี่ไม่ได้ทำให้บรรลุธรรมการอดอาหารเป็นการกระตุ้นความเพลยรเป็นการกำจัดนิวรณ์ความเกลียดค้านความง่วงเหงาหานอนอันนี้เขาก็อาจจะอดอาหารแล้วก็เป็นการปีวเวกอย่างเต็มที่คือไม่ต้องไปยุ่งกับญาติโยม ไปบินธบัติก็ยังต้องมายุ่กับญาติโยมเพราะว่าบางทีบินธบาตเสร็จกรรบมาที่พัคญาติโยมก็ตามมามาขอฟังเทศฟังธรรมมาขอถวายอาหารเพิ่มแต่ถ้าไม่ไปบินธบาตเลยบอกให้รู้ว่าต้องการปีกไม่เวกเต็มที่เขาก็จะได้ไม่มารบกวนแต่นี่ทําเป็นเป็นช่วงๆไม่ได้ทําแบบตลอดเวลาอาจจะทําบางทีสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างอะไรทํานองนี้ แต่ก็ยังต้องกลับมาทำกิจวัตรปกติบิณฑบาตมีแล้วก็อาจจะต้องอถ้ามีคนมาหาก็อาจจะต้องให้ธรรมะเขาบ้างให้สีหนให้พ ร, รเขาบ้างอะไรไปต่างความเหมาะสมะคาถามคุณภาริชาตนะครับเรื่องความตั้งใจที่จะอุทิศเวลาทำงานเป้าหมายเพื่อหาลายได้บริจาคความตั้งใจดังกล่าวจะเป็นหนทางทําให้ห่างจากหลักการ นักถิสันติพลังสุ ข, ขังอย่างไรหรือไม่เริ่มฟังเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันตั้งแต่วันเข้าพรรษาขนาดนี้เกษียณจากการทำงานอายุ50ปีถือศีลเจ็ดยังแต่งตัวมีสังคมและฟังมหรสศพสามีที่บ้านสนับสนุนให้นั่งสมาธิเพื่อมุ่งทางหลุดพ้นอย่างเดียวค่ะไม่ให้สนใจทางโลกใดๆแต่ดิฉันเสียดายเวลาที่พอจะทประโยชน์แก่สังคมค่ะ าาก็เราต้องเลือกออว่าเราต้องการทําประโยชน์ให้กับตนหรือทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นถ้าทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราก็จะทําประโยชน์ให้กับเราไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ทําประโยชน์ให้กับเราก่อนยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วค่อยไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบําเพ็ญหปีนี้ยังประโยชน์สําหรับตนเพียงอย่างเดียว พอหลังจากนั้นพอเสร็จประโยชน์ของตนแล้วก็อีกสี่สิบห้าปีก็ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเรามายังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราจะไม่สามารถที่จะหนึ่งประโยชน์ที่เราช่วยผู้อื่นก็เล็กน้อยไม่ใหญ่โตเหมือนกับถ้าเราได้มายังประโยชน์ของเราให้ถึงพร้อมก่อนแล้วเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างมากมายไกลกองกว่าหลายเท่าด้วยกัน เพราะว่าถ้าเราบำเพ็ญแล้วเราบรรลุธรรมนี้เราสามารถเอาธรรมนี่มาช่วยเหลือผู้อื่นได้ซึ่งเป็นดีกว่าการที่เราจะเอาเข้าของเงินทองไปช่วยเหลือผู้อื่นลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงยงนันสู้มาหาธรรมะก่อนดีกว่ามาธรรมะให้มีธรรมะในใจแล้วก็เอาธรรมะนี้มาช่วยเหลือคนอื่นจะได้ประโยชน์มากมายกว่า ก็จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จากคุณสถาปัตย์นะครับฝึก ส, สติไปเรื่อยๆใจก็เบาสบายสบายขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้พิจารณาอสุภะเลยแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับถ้าเราอยู่ในขั้นเจริญสติก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรต้องการให้จิตว่างจิตเบาจิตสบายจิตไม่คิดปรุงแต่งแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนั่ง ว่าเรามีสติแล้วเราต้องหาเวลานั่งนั่งบ่อยๆนั่งมากๆให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้ได้เป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นคานิกะสมาธิพอเราได้อัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยวลาแล้วเราชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยไปทางปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาสุภะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้เราเห็นว่าร่างกายแท้จริงแล้วไม่สวยงามเลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบก็สวยเพียงข้างนอกทั้นหนึงแต่ถ้าเราพิจารณาดูข้างในหรือดูเวลาที่ตายไปแล้วนี่ไม่ไม่น่าไม่น่าดูเลยมันก็จะทำให้เราหยุดความลหลงไหลข้างใครเกิดความคข้รักใข้ในร่างกายของผู้อื่นได้อันนี้ต้องรอให้เรามีสมาธิก่อนจะดีกว่าเพราะถ้าเราไปเจริญอสุภะตามที่เราไม่มีสมาธิ แต่แม้จะเห็นมันก็ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความข้างคลาหลงไหลได้เพราะมันไม่ได้พิจารณาบ่อยพิจารณาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปเห็นว่าสวยว่างามอีกแล้วจากคุณไอซ์เบอร์รี่นะครับ youtube นะครับมีอาการหลงในสิ่งที่รู้จากการทำสมาธิจนมีอาการโปรดหัวเป็นอยู่สามวันจึงไปนั่งสมาธิดูจิตตัวเองพบว่าเป็นกิเลส ข, ของความอยากรู้ ว่าสิ่งที่ตัวเองรู้เป็นเรื่องจริงไหมสมผลให้มีอาการปรดหัวพอจิตสงบพร้อมสมาธิจึงคุยกับตัวเองว่ารู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมจิตตอบว่าไม่มีเลยจิตสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันรู้แล้วปล่อยวางความว่าวุ่นในจิตและอาการปวดหัวก็หายไปอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกแล้วละให้รู้เฉยๆให้อยู่ในปัจจุบัน อะไรมาก็ให้รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปอยากรู้อยากเห็นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้ทุกข์ขึ้นมากคุณบีบีนะครับถ้าเราป่วยแต่ไม่อยากรักษาที่โรงพยาบาลเพราะการรักษาทรามารและโอกาสรอดก็น้อยอยากนอนตายไปที่บ้านไม่วุ่นวายแบบนี้จะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเป็นเป็นเสรีของเราถ้าเราไม่เอาหมอนมา มาปิดจมูกเราอยู่ท้ายใจอย่าไปบังคับให้ร่างกายตายถ้ามันจะตายโดยธรรมชาติก็อนี้ไม่บาปนะจะคุณสุกัญญานะครับพระโสดาบันชาติหน้าเกิดเป็นคนใหม่คะและถ้าเกิดเป็นมนุษย์ลักษณะเป็นเช่นใรก็เหมือนเราวนี่ยนะถ้ายังเหลือเจ็ดชาติถ้ายังยังไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่าขั้นโสดาบานันแต่ได้ขั้นที่สองก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งเดียว พอได้ขั้นที่สามก็ไปเกิดเป็นพรหมแทนแล้วได้ได้ขั้นที่สี่ก็ไปนิพพานคนถามข้อต่อไปจากสามาเณรนะครับจากคุณเดินตามรอยนะครับเดินรอยตามนะครับผมอยากจะไปอยู่วัดปา่าเพื่อแสวงหามรรคผลนิพพานแต่ครอบครัวไม่อยากให้ไปเพราะครอบครัวบอกว่าวัดป่าเขาไม่รับคิดนิมนต์ไม่มีเงินผมก็บอกว่าเงินทองจะหาอะไรมากมายตายไป ก็ใช้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่อยากให้ไปผมควรบอกว่าอย่างไรดีครับเขาถึงจะให้ไปเราจะ เ, เข้าไปด้วยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเขาไม่ไปด้วยเราก็ไปคนเราคนเดียวไง <c oughs> เขาจะอยู่ก็ไปก็อยู่ไปเราจะไปเราก็ไปคนลราเรื่องกันจะได้ว่ากิกเลสมันหลอกเราหลอกให้เราอยากไปแล้วก็แล้วก็หาเรื่องคนอื่นมามาหลอกให้เราอยู่ เราก็เลยสองจิตสองใจไม่รู้จะไปดีหรือไม่ไปดีเราก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งตัดสินใจไปเลยฟันธงไปเลยแต่ไปก็ไปเลยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยธงชัยของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพุทธทังสันนังกฉามิเนี่ยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจะไปถ้าไม่บอกใครเลยบอกแล้วก็ไม่ได้ไปเลยใช่ไบอกแล้วก็มีแต่คนประท้วงไม่มีใครที่สนับสนุนหรอก งั้นไปเลยเนี่ยไม่ต้องบอกใคร <laughs> ไปแบบไม่ต้องให้เขารู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยอออืถ้ารู้เดี๋ยวไปตามกลับมาบ้านอีกเดี๋ยวใจอ่อนอีกจากคุณเจนนะครับพยายามเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดแต่พบว่าหลงไปไม่ได้รู้ตัวจริงและฟุ้งซ่านมากจะแก้ไขอย่างไรคะถ้าดูตัวดูตัวเองไม่ได้ก็ใช้พุทโทดึงไว้ก่อนก็ได้ ใช้ท่องพุทโธพุทโธไปยังอาจจะง่ายกว่าเพราะเวลาดูแล้วมันยังไปวับนู่นวับนี่ก็ใช้พุทโธดึงมาไว้ดึงตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธเลยถ้ามีพุทโธก็แสดงว่ามันไม่ไปไหนมาไหนอ่งคุยก่าเหลืออ้านาทีเดี๋ยวขอเวลาห้านาทีเดี๋ยวจบลจะคุณนภพัฒน์นะครับเวลาที่ฉันนั่งสมาธิพยายามที่จะโฟกัสไปที่จิตจับลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพุทโธ แต่ขณะเดียวกันภาพคนนั้นภาพสิ่งนี้ลอยมาในเวลาเดียวกันจิตล่องไปทั่วทั้งทั้งที่ท ม, มีความรู้สึกว่าเราภาวนาอยู่จะทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะให้จิตนิ่งสงบเป็นหนึ่งเดียวต้องอยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปอย่าไปอยู่ที่จิตด้วยจิตจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจมันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาในจิตอย่าไปรับรู้ให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอก ที่กลางหน้า อ, อกก็พวกยุบหนอพองหนอเข้าก็พองออกก็ยุบเน้ถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูงมที่มันเข้าสัมผัสเข้าออกมันจะสัมผัสตรงที่ปลายจมูกอย่าไปสนใจเรื่องจิตไม่ต้องไปดูจิตอะไรจะเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถ้าอยู่กับลมแล้วเดี๋ยวทุกอย่างหายไปหมดทุกอย่างจะสงบสกุลพอสวรค์นะครับการทำบุญให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่จะได้บุญใหม่ช่างหรือได้อย่างไร ก็เอาเงินไปให้พ่อแม่เถแล้วถ้าพ่อแม่เอาไปทาบุญพ่อแม่ก็จะได้บุญแต่เราอย่าไปบอกพ่อแม่ว่าเอาเงินนี้ไปทาบุญมันจะไม่ได้ออกมาจากใจของเขาเราทำบุญของเราด้วยการเอาเงินให้พ่อให้แม่ส่วนพ่อแม่เขามีศรัทธาอยากจะทาบุญเขาไปทาต่อเขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราบอกให้เขาไปทาบุญนี้เขาจะไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นการออกมาจากใจของเขา คุณจำนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดกลัวต้องมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธสวดมนต์ไปก็ได้จเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนกว่าใจจะสงบและหายกลัวถ้ามันยังไม่หายกลัวก็สวดไปเรื่อยๆแล้วพุทธโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายถ้าเราไม่หยุดเดียวมันก็หายถ้าเราไม่หยุดพุทธโธเดียวมันก็หายกลัวจคุณจิตตวันนะครับช่วยทําอาหารที่ครัวของวัด อาหารที่ค น, นํามาทําบุญเยอะมากบางครั้งเน่าเสียทิ้งเป็นบาปหรือเปล่าคะถ้ามันไม่รู้จาไปไว้ที่ไหนก็ต้องทิ้งก็ต้องทิ้งแต่ถ้าให้สุนัขได้ให้สัตว์ได้หรือให้คนยากคนจนได้ก็ควรจาไปแจกจ่ายกันจะได้บุญจะได้ประโยชน์สรรุลจิตติศักด์นะครับถ้ามาทําบุญกรถิ่นตอนเช้าไม่ทานมาทําตอนเย็นแทนเป็นกรถิ่นสมทบได้ไหมครับคือกรถินเขามีเวลาแต่เรื่องปัจจัยทางถวายนี่ถาวายได้ทุกเวลา กฐินผ่านไปแล้วก็ยังถวายเงินให้วัดได้อยู่เหมือนกันได้บุญเหมือนกันจะคุณเดินลอยตามนะครับการนุ่งผอมจีวรที่เขาไม่ได้ทําขึ้นมาคือไม่ได้ตัมดมมเย็ตีละชิ้นนั้นผิดศีลใหม่ครับผิดพระวินยัยพระวินัยนี้่ให้พระเอาผ้ามาตัดเป็นชิ้นๆก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นคุณค่าเพราะถ้าเป็นผ้าผืนเดียวนี่ถ้าไปอยู่ในป่าตามสมัยก่อนนี่คนหาผ้ากันไงขโมยชอบผ้าดีๆ ถ้ามีผ้าดีๆเดี๋ยวมันขโมยไปได้แตถ้ามันเห็นว่าเป็นผ้าขาดแล้วมามาตัดมาเย็บมาต่อกันนี้มันก็จะไม่อยากได้เนี่ยสมัยหนึ่งสมัยที่มีคนศรัทธามากๆ ม, มีคนถอยผ้าเป็นพับเลยพระอานนท์เลยถามพระเจ้าจะทําไงกับพวกผ้าพับนี้เพราะพวกเราเคยเก็บแต่เศษผ้าผ้าห่อศพมามาเย็บมาตัดมาปะมาต่อใช่หไหมพระอาจารย์ก็บอกก็ตัดไปสิตัดเหมือนกับแล้วมาต่อเหมือนกับคันนาเนย ให้ทําอย่างนั้นเพื่อจะได้เป็นของที่ไม่มีคุณค่าเพราะพระสมัยนั้นจะอยู่ในป่ากันเป็นหลังไปอยู่ในป่าเวลาจากผ้าแล้วอาจจะไปทําอะไรอย่างอื่นถ้าเป็นของมีค่าเดี๋ยวขโมยมาขโมยหรือถ้าแม่มาป้นมาฆ่าได้มาทําลายพระได้ทํำลายพระได้แต่ถ้าไม่มีของมีคุณค่าเขาก็จะไม่มายุ่งหมดแล้วมั้งเวลาครับพระอาจาดีหมดพอดีครับออ ก็ขอให้ท่านเจ้านาวสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ